ถมบทแปลเรื่องที่72เรื่องพระมหากรสปะภาคที่สเรื่องที่สองของวรกที่เจอรหัตตวรกวนานาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารพพระมหากรสปะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอุยยุนชันติเป็นต้น ความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งพระศาสดาทรงจำพรรษาอยู่ในกรุงราชครื้รับสั่งให้แจ้งภิกษุทั้งหลายว่าโดยการล่วงไปกึ่งเดือนเราจะหลีกไปสู่ที่จาริกได้ยินว่าการรับสั่งให้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าบัดนี้เราจกไปสู่ที่จาริกโดยการล่วงไปกึ่งเดือนดังนี้ ด้วยทรงประสงค์ว่าภิกษุทั้งหลายจักทำกิจต่างๆมีระบมบาทและย้อมจีวรเป็นต้นของตนแล้วจักไปตามสบายด้วยอาการอยา่างนี้นี้เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีพระประสงค์จะเสด็จจาริกไปกับพวกภิกษุก็เมื่อภิกษุทั้งหลายกําลังทํำกิจต่างๆมีระบมบาทเป็นต้นของตนอยู่ แม้พระมหากสปเถร ะ, ระก็ซักจีวรทั้งหลายแล้วพวกภิกษุยกโทษว่าพระเหตุไรพระเถระจึงซักจีวรในพระคนครนี้ทั้งภายในและภายนอกมีมนุษย์อาศัยอยู่ส8โกดบรรดามนุษย์เหล่านั้นพวกใดไม่เป็นญาติของพระเถระพวกนั้นเป็นอุปถากพวกใดไม่เป็นอุปถาค พวกนั้นเป็นยากชนเหล่านั้นย่อมทาความนับถือและสาการะแก่พระเถระด้วยปัจจัยสี่พระเถระนั้นจากละอุปการะมีประมาณเท่านั้นไปนะที่ไหนได้แม้หากพึงไปได้ก็จกไม่ไปเลยจากซอกชื่อมาปรมาทะดังได้สะดับมาพระศาสดาเสด็จถึงซอกใดแล้ว ย่อมตรัสบอกภิกษุทั้งหลายผู้ควรที่พระองค์พึงให้กลับอีกว่าเธอทั้งหลายจงกลับเสียแต่ทีนี้ยาประมาทซอกนั้นชาวโลกเรียกว่าซอกมาประมาทะคำนั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวหมายเอาซอกมาประมาทะนั้นแม้พระศาสดาเสด็จหลีกไปสู่ที่จาริก พลางทรงดำริว่าในนครนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกมีมนุษย์อยู่18โกรดอันภิกษุจะต้องไปในที่ทำการมงคลและอาวามงคลของมนุษย์ทั้งหลายมีอยู่เราไม่อาจทำวิหารให้เปล่าได้เราจะให้ใครหน้อแลกลับลำดับนั้นพระองค์ได้ทรงมีพระปริวิตกอย่างนี้ว่า กพวกมนุษย์เหล่านั้นเป็นทั้งญาติเป็นทั้งอุปถาภของกระสบเราควรให้กระสบกลับพระองค์ตรัสกับพระเถระว่ากระสบเราไม่อาจทำวิหารให้เปล่าได้ความต้องการด้วยภิกษุในที่ทำมงคลและอาวามงคลทั้งหลายของพวกมนุษย์มีอยู่เธอกับบริษัทของตนจงกลับเถิด พระเถระทูลรับว่าดีละพระเจ้าค่าแล้วพาบริษัทกลับภิกษุทั้งหลายพพลธนาว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านเห็นไหมล่ะพวกเราพูดประเดี๋ยวนี้เองไม่ใช่หรือคำที่พวกเราพูดว่าเพราะเหตุไรพระมหากรศบจึงซักจีบอท่านจากไม่ไปกับพระศาสดาดังนี้นั่นแล เกิดเป็นจริงแล้วพระสัสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุทั้งหลายแล้วเสด็จกลับประทับยืนตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวชื่ออะไรกันนั่นภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์กล่าวปรารบพระมหากัตสปะเถระพระเจ้าค่าดังนี้แล้วกราบทูลเรื่องราวทั้งหมด ตามแนวความที่ตนกล่าวแล้วนั่นแหลพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเผื่อเธอกล่าวหากระศบว่าข้องแล้วในตระกูลและในปัจจัยทั้งหลายแต่ความจริงเธอกลับแล้วด้วยธรรมในใจว่าเราจะทำตามคำของเราต ถ, ถาคตก็กระศบนั่น แม้ในการก่อนเมื่อจะทำความปรารถนานั่นแลก็ได้ทำความปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้ไม่ข้องในปัจจัยสี่มีอุปมาดังพระจันทร์สามารถเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายได้กะสะบนั่นไม่มีความข้องในตระกูลหรือในปัจจัยทั้งหลายเราเมื่อจะกล่าวข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยพระจันทร์และข้อปฏิบัติ แห่งวงของพระอริยะก็กล่าวอ้างกระศบให้เป็นต้นภิกษุทั้งหลายทูลถามพระสาสดาว่าก็พระเถระตั้งความปรารถนาไว้เมื่อไรพระเจ้าค่าพระศัสดาพวกเธอประสงค์จะฟังหรือภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าค่าพระศัสดา ตรัสแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายในที่สุดแห่งแสนกับแต่กับนี้พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกดังนี้แล้วตรัสความประพฤตในการก่อนของพระเถระทั้งหมดตั้งต้นแต่ท่านตั้งความปรารถนาไว้ในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระ บุรพาจริตนั้นพระธรรมสังคาหากาจารย์ให้พิสดารแล้วในพระบาลีอันสแสดงประวัติของพระเถระนั่นแลก็พระศ า, าสดาครั้นตรัสบุรพจริตของพระเถระนี้ให้พิศดารแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอย่างนี้แลเราจึงกล่าวข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยพระจันทร์ และข้อปฏิบัติแห่งวงของพระอริยะอ้างเอากาศศพบุตรของเราให้เป็นต้นชื่อว่าความคล่องในปัจจัยก็ดีตระกูลก็ดีวิหารก็ดีบริเวณก็ดีย่อมไม่มีแก่บุตรของเราบุตรของเราไม่คล่องในอะไรอะไรเลยเหมือนพญาหงร่อนลงในเปลือกตมเที่ยวไปในเปลือกตมนั้นแล้วก็บินไปฉะนั้น อย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอุยยุญันติสติมันโตณนะนิเกเ ต, เตรมันติเตหังซ่าวะปัลละลังหิตวาโอกโมกังจะหั่นติเตติท่านผู้มีสติย่อมออกท่านย่อมไม่ยินดีในที่อยู่ ท่านละความห่วงใยเสียเหมือนฝูงหง์และเปลือกตมไปชนีปัญดาบทเหล่านั้นบาทคาถามว่าอุยยุนชันติสติมันโตความว่าท่านพูดถึงความไพยบูนแห่งสติคือว่าท่านผู้มีอาสวะสิ้นแล้วย่อมขอนขวายคือร่ำอยู่ในคุณอันตนแทงตลอดแล้ว มีฌานและวิปัสนาเป็นต้นด้วยนึกถึงด้วยเข้าสมาบัติด้วยออกจากสมาบัติด้วยตั้งใจอยู่ในสมาบัติและด้วยพิจารณาถึงบาพระคาถาว่าณนะนิเกเ ต, เตรมันติเตชื่อว่าความยินดีในที่ห่วงของท่านย่อมไม่มีบทว่าหังซาวะนี้ เป็นแง่แห่งเทศนาก่อนนี้ความอธิบายในคำนี้ว่าฝูงนกถือเอาเหยื่อของตนในเปลือกต้มอันบริบูรณ์เหยื่อแล้วในเวลาไปไม่ทำความห่วงสักหน่อยในที่นั้นว่าน้ำของเราดอกประทุมของเราดอกอุบลของเราดอกบุญทริตของเรายาของเรา หาความเสียดายไม่ได้เทียวละประเทศนั้นบินแล่นไปในอากาศฉันใดพระขีนาศพทั้งหลายนั่นก็ฉันนั้นแลแม้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งไม่ขล่องแล้วในสกุลเป็นต้นเทียวอยู่แล้วแม้ในคราวไปละที่นั้นไปอยู่หาความห่วงหาความเสียดายว่าวิหารของเราบริเวณของเราอุปถาของเรา ไม่ได้เที่ยวไปอยู่บทว่าโอกัโมกังคืออะไรความว่าละความห่วงทั้งปวงเสียในการจบเทสนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระมหากัสปเทระ